ชีวิตโอปปปาติกาพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าชีวิตต่างๆในสากลจักรวาลเมื่อสรุปแล้วก็มีอยู่สี่แบบคือหนึ่งชลาพุชาแปลว่าชีวิตที่เกิดมาจากมดลูกและออกมาเป็นตัวเช่นมนุษย์เป็นต้น 2. อ, อันทชา แปลว่าชีวิตเกิดออกมาเป็นไข่แล้วมาฟักเป็นตัวข้างนอกเช่นเป็ดหรือไก่เป็นต้นสามสังเสรชะแปลว่าชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือในที่สกปรกซึ่งได้แก่พวกเชื้อโรคต่างๆหรือพวกจุลินทรีย์ต่างๆ4สีโอปปปาติกะ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 การเข้าใจเรื่องโอปปปาติกะอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเราจึงจะมองเห็นว่าร่างกายของเราได้อากําเนิดมาจากวิญญาณจริงๆเหมือนกับตัวเราในความฝันนั่นเองและวิธีที่จะศึกษาเรื่องโอปปปาติกะให้เข้าใจนั้นในครั้งแรกเราจําเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อตามคำผีไปพลางก่อนต่อเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจตลอดแล้วเราจึงจะเห็นเหตุผลเกี่ยวโยงถึงกันหมดและในที่สุด เราก็จะบอกได้ด้วยตนเองว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง